ไปให้วังหันเดินไปวังหันก็เว้ยเพื่อนไปเบียดหมูอางเทก็มันเราไปห่วงตั้งแต่เรืองมูหนังเต็มหัดไปหาแจมมองจิเล็ตมันเกิดมันก็ฉลาดที่กันบปเนี้ยมันฉลาดในการที่จะตกแต่งตกตาตีหูตีตาของเขาเนี่ยห้อยเห็ดตามมันมาเห็ดไปแล้วโอเดินไปแล้วก็คือเก่านั่นแหละไปง่ายไปวังหันมันกิดอากขาอมูอศึกูมือคือเก่ายับมาอยืนี่มันเก่าออกข้อมือศึกมือคือเก่าที่มันหลอกอยู่ตลอด เป็นบ่ไมอ่ออกเป็นใครรกักษาบ่ถ้ากุณเป็นใครรกักษาจู้บเมื่อเนี่ย <laughs> ปนั่นนี้ยมันหลอกข้าปนั่นเนียเมือนเนม่ออืนอ่นเอาไม่เราเมืองเด้อ <laughs> เอากระหูวาอยูย่อินเอ้ยกระหูวามันผาหมองเนอะมันบ่แต่ว่าก้อนสิไปเนี กำหนดหูมันบางก่อนอย่าให้อความ ข, ขึ้นไปเฮ้ยมันห่อนไปก่อนลูกเพอเอร์พอเพอร์อไปโหลดก็บ่เมนเลตกกำหนดบางก่อนโอ้ยมันแดดแทดเ่เตียสมัยอาตมาปฏิบัตินั่นขอภนอภัยเนาะถือว่หลอกโอ้ยหลอกตลอดนี่ตลอดปวดท้องนี่ปวดเขาของห น, น้ามีปวดเขาเขาแล้วเขาอีกบอกอหาหน้าที่ไปแล้วมันก็บอกบอกย่อปัญานี่แสดงนี่สดงกันยินด บางก็น่าอันมันมึงเลยบางก็น่าบางกันเห็นหอกอันมึงคะคักมานน่านบบเดินจมกลมยพดเหมยยังคำกับสบายกว่าเนี่ยมึงเป็นยังีงเป็นยังหลอกดีแ่วันนนคำนวณมันปานนั้นอ่ะศูนย์ปานนั้นอ่ะหาวไปที่ศูนย์ปานนั่นหัวจักหัวจักกล่าบหัวจักจำหัวจักออกมาพินิจผิดชนะเบื้งมันช่างที่สูงต่อสูงมันไหนมันจะเฮาอยากมากขึ้นกันเนี่ยเอาลองนั่งมึงคะคักลองเบื้องนี้ลองเบื้งตัดสินใจแล้วเบื้องเอานั่งส่ใจไว้เนี่เอาคัน ขันบุญญาบาทวาสนามีกับหมากให้่มันล้นใส่ปากแป๊กแปกกผู้ขานี่้มาั่นเอาลองบังลองมือไปจับลองบังมันก็ลองเชี้ยนเปิ้ลวาเปิ้ปฏิบัติถ้ำขังแหลกเปิ้หูจักถมาขังแหลกเปิ้ลสูบยากระปองเปิ้ลพิสูจน์เจ้าของครืขนายด้วยเอายามาต้วงไว้ตรงหน้าแล้วก็ลองบังเอาสูบลองบังไล่เพิ่นไล่เป็นเนี่ยสูบว่าได้แล้วว่าอนุญาตให้สูบประธานว่าอ่าเทพไทเลยเอาอนุญาตให้สูบสูบไปได้แล้วประธานนว่า บอกให้มนวลมนเอวามนวลกรมามวลซุบซ ah. wa, ุกอะไรเลยว่อนุญาตให้เขาปากอัไรเพี้ยไลัยปนั่นอ่ะอันนี้พวกเขายังยกมือไปยกมือปังซังปังซังไปเดินยกกลมเมยล่านั่งขั้วตาหมาบัสสะอะไมากระใสเสียงหย่อนจระจะโอ๊ยมาก็ะไปกินมัดเพราะฉะนั้นลองทวนกระแสมาลองเบึงพระพุทธเจ้าร้อยถาทวนกระแสได้แมนบ่ ร้อถาดท่วนกระแสนี่กระแสกระแสนําบ่แมนร้อยถาดอีเล็ค you ouais. ือท่วนกระแสแห่งความชิดของพวกเขาเนี่ยแหละชิดของความชิดของเขาลองชิดลองท่วนกระแสมัาลงบุไปตามกับมันลองเบ่งเพศไปตามกับมันลองเบ่งมือนี่วันที่เลยมันที่แปดเต็มเลยซีมือได้เนี่ยอีกมืดหนึ่วันที่เก่ามืดวันที่สิบกับสองสามมือกับสิ่เลือดกันแล้วสี่เบกับสีเลือกันแล้วนี่กันแล้วท่างไทวนมันเราเบ่งตักใจมันเราเบ่งบัพระสรง์งกรเจ้าเขาเนี่เขา ทวนกระแสของเจ้าของเราบังมันสิเป็นยังไหเขาเป็นเขาตัวเป็นธาตุมาด่ามดนแล้ววันนี้กลับมาบังแล้วมากากู้ความเป็นไทยเขาบังความเป็นจิสลาจากสีนเมื่อเขาหวังกับสีนวลหนูความเป็นความเบาความเอาสบายนี่สบายหอง้องนั้นสิมันเกิดขึนมาในขึนมามันกับไอ้ยังเปิลว่าไฟไฟมาไล่กันใหม่โลกแล้วมันสลอดอยู่อย่างสามพรมพ่อสีเปิวาน่ะ เดนนี่นํำกันเล็กกัดท้องกำลังกัดเดนกัดใส่กัดพุ ง, ง, ง, งหรอแชลบกัดแชลบบางกัดแฉลบไปไงแล้วนี่มัดหรือมัดปหวนก็มัดตากหรอคนมันบาดนี้เพคนว่าเมื่อไฟใหม่มาแล้ ว, ว, ว, วนี่มาแล้วเทวดาเสียวเขิงทองคํานีา่ยมหนกันนะผู้ใดนี่บุญก็สิได้ข้างขี่หมอดข้างขี่สร้างรอดกันมันวันนี้บุญญะบารมีก็สิได้รอดไปนี่ไปก็จะได้เกิดไหมนี่ไม่ เรืองทีได้ไปใสกับว่าแล้วมา่งฮันอันนี้มันมันก็เป็นปริศนาคือกัน่วยสามฮอมโบสีคือพว่าค้นพอพอพูดประทัมประสงค์ค้นสติปัญญาสมาธิสติปัญญาอ่ามาอยู่กับนี่จริงเนยะสมมตินี้มันใหม่เลยเนี่ยมันห่อนเลเนี่ยโลกกำลังห่อนเลยเนี่ยสังคมกาลังห่อนกำลังบุร์ไหวเลยคิดแจกคนกาลังเป็นนี่ไปแล้วเมด่อส์หรอเพื่อเหนว่ า, าเทพันวานี่ยอ่าสุเทพนวานะ่ โลกเด <Yeah. S 1> like er ินกำลังห่อนกำลังใหม่เห็นแจตนก็เห็นไฟใหม่ไฟใหม่หัวยาของบางหมู่บ่เห็นบันนี้เฮาชิมัดดับให้มันให้ความเย็นมันเกิดขึ้นมาแค่ในใจของเฮาได้บันดับดับไฟที่มันใหม่ไฟอย่างก็ไฟกิเลสคือหลวงพ่อพระอาจารย์ว่านพ่อไฟใหม่พุ่นพุ่นเลยบอกคนนไปดับทำไมอกันดับอย่างไฟข้างนอกดับทั้งไฟข้างในดีกว่าวไฟมันใหม่หัวยาของเนี้ยเนี่ยแมน ดับไฟสุเพียความผ่อนร้อนทางด้านชีวิตจิตใจของเขาความมันใหม่จิตใจใหมใจของเขาอยู่เพียมาดับมันลองเบังป่านนั้นได้ยังสิพอสามหรมโพสีคันพอดับให้เม็ดแบบนี้แล้วด้วยไหม่เมดแล้วเพราะฉะนั้นว่าเป็นผ้าบอกพาครูบาอาจารย์เป็นมาบอกมาเก่าวพาเห็ดพาทำพาสากิานนี่แต่กีฬากลอนเนาะไม่ออกกับพวกได้ควกคุ้มยากกวานี้นะเนาะมันบก่ก ว่ได้เข่าแถวเลี้ยงหนึ่งแถวเลี้ยงสองขึ้นเสมอนี่นี่ตักการ์ฮกับตัก้ตัมันตักกะเบืองปล่าาพูดมาคุยกันนี่กันเฮ็ดกันไปนี่กันไปจินเข่ากันเที่ยวเป็นแต่หูจักกินีแต่ก่อนค้นก็บหูจักกันดีแต่เสมออ้กระจั๊กแก่เพิ่อนกับหูจักอยู่กับปะจักษ์อยเนาะอันนี้ก็ะบอกสมรถยังหูจิตแจเพื่อนนี่เพ่นแต่ว่าเฮาเราต่างใจลเบิ่งหลีกเลี่นเเบิ่งบก่ต้องให้ผู้บาดจันเพ่อนยุ่งยากนนถึงเวลาเอานี้ปัญหายังมาคุยมีปัญหาย่งมาบอก ปฏิบัติธรรมเป็นลักษณะนักอกนักใจเนีนอกเนีนใจเนีนทั้งนอกทั้งในมือตื่นปวดหัวปวดหัวปวดหัวเป็นยังปวดหัวมือเก่าเป็นยังใดลักษณะใดที่ปัญหานั้นมาบอกสมัยก่อนเป็นลักษณะนั้นคุ้ว่าปฏิบัตินี่โอ้ยติดอารมณ์เนียนอกแน่นอกแนีนใจนี่ลงไปมาถามครูบาพระอุบาอาจารย์เพื่อนก็บอกเพื่นจะแก้อารมณ์ห้นี่หาไปทานไปแต่สมัยนี้อยู่ในไหนล่ะบัดเดน เดินจงกรมทำความเพีย้ยนเดินเดินเอามมนมือโอ้ยมีแต่ขาเจ็บขาโอ้ยมีแต่ปวดขามือยขามือลาโอ้ยแขนกันยกนักตึงตึงึ ง, งสมัยนั้นน่อาะมาแขนเนี่ยยกน่กว้วมันก้อนหินเอาผ้าอับนำมัดเป็นห่วงเอผ้าเอามือขเอามือข้างไว้อ่าข้างไว้เพราะมันหนักหลายหนักแขนหลายนี้หลายอากอดเด็กจะแล้วเอาไมไขว้ข้างหลังแล้วก็แล้วประสานไปข้างหนา้าแล้วก็แล้วเอาหายมีทีซอยมัน มันนักเตี้ยซอยมันเห็ุไปถึงขนาดแจ้หาวิธีแก้เพื่อเอาความเอาความเพีย้ยนเท้าต่อสูดเอาความตัวเพียเ้ยนเท้าต่อสูดอย่างขนาดนี้ขนาดความง่วงเนเอะมันง่วงมากม า, มากเอาไม่พาดไว้ลาเดียวนั่งบรรยาก เ, เป็นเก้าอีบ้บ น, นั่งดีกิสมือไอสมือเมมอพน่นเาเก้าอี้นีน่มันนั่งมันนั่งกักนแล้วขาขึ้นทางนั่งงับโนปอดอิงใส่ต้นไม้ก็ขอกใส่กับโอ้ย แต่ก่นนั่งอเอาไม่พานไม่ล้าเดี๋ยวพาดมา น, น, มนงงั่งนั่งแพอมันง่วงานนเดี๋ยวายหลังต่าเสด็จ ด, ด้งขึ้นม า, ามึงสงมันหนาบงบ้อเอาไหมมือหลังมามันง่วงอีกเอาเฮ็ดอี ก, ออกมันก็ขยัที่กันทานไปเลยนี่ไปแล้วทานอารมณ์ง่วงอารมง่วงเอาเขานั่งไปเลยนี่ไปแล้วโอ้ยสบายช่วงปฏิบัติธรรมก็ไปได้ไง่ายเลยบ่เดินชมกลมทำกลมเพี้ยนกน็โอ้ยบ่มีปริพลกังวลบ่มีความอิจกังวนอย่างทั้งหมดอันนี้เฮ้าเร จักมันยังก็มันยังมันยุ้มมันห่วยพาลาหาเวปันจักขันทาขันต่างหากเป็นของนักเน้อขันทั้งหาก็าเขาเ้าในี่ก็นหนักสหัสสกันยิ่แล้วอแบกขันท่านี่ก็พ่อแห้งยิ่งแล้วยิ่แล้ ว, ลวไม่ใช่เลยพระกันแบก ข, น 7, ขันหกงั้นไหม่นาะนี่ขันเจ็ดขันหมากขันพู่นนเนาะมันก็เลยเป็นไปยากไปเนี่ยมันก็เลยเป็นไปยากนี่ไปยากพรายากไปแล้วเราสึกว่ามันก็โอ้ยอันนี้มันเป็นมันเป็น บ่ให้ไม่ใไ่เห็นเบิงสิเด้จังหวะนบ่เคยไม่ไยเบิงไม่ไยฟังเบิงเบิงไม่เอามาเอามาเปียกเทียบกับรองเบิงกับผู้เพิ่นผู้เพิ่นพวกไม่ชี้เพิ่นผู้เพิ่นบ่เชี่ยวบ่ย่ำเพิ่นสิประดิแต่ว่าหนักไปทั้งอื่นทั้งหนึ่งอีกทั้งหนึ่งก็มีบ่มีผประโยชน์กัวันกับเรื่องตามหมกตามหมาหรือว่ามิยังกะไปทั้งอื่นก็มีนี่กันมีเพราะว่าจิเลตหรือความเพี้ยนหนีรู้สึกมันมันกะมักกระต่อสู้ต่อการที่จะยึดพื้นที่ของมันขึ ไม่อยากเสียความเป็นอิสระขาดมันคือกันนี้กันพรเขาเข้ามาเดิ่ม70 80ปีมาแล้วแม่บอกเขาเคยมาทุ่นกันล้วกระแสรักเสนอีกเถอพอเขามาเห็ุฉันนั้นล้สื่อว่าโอ้ปัญญป่วนเลยหมดเลยพะฉะนั้นว่าล่องลราฝืนล่องหนีล่องเบิ้งไม่ใช่อันนี้มันเป็นเรื่องจริงของแท้ๆเดี๋ยวเพราะแม่เรื่องเอาเรื่องเอาหน้กอับสวรรค์มาครูได้เนี่ยคันตายด้วยด้วยบุมิสตีสมัยชั้นยคือบ่อยฟังอ่ะนะตายดยบุมิสตีสมัยชัญนยนั่นคือตกนรกที่เป็น ตกนรกเลยแต่คันคู่มีสติสมาเชียนญาบนันยังลงลงพเพืนพ่นยันบรรไต์เพื่อนมรณภาพบนันมือเพื่อนบวมมีเงยเนี่ยเคลื่อนไหวบ่ใดมือนั้นมือเพื่อนติตายเพื่อนเคลื่อนขึ้นมาคู่ขึ้นมาเหยียดลงไปคู่ขึ้นมาขากระตีตีบ่ไดกับขู่เหยียดลงไปเอาข้อมือศึกมาอยู่กับข้อมูอศึกขุมเงิอเนี่ยบ่ใดเข้าไปอยู่ในค้อมชิดข้อมปุ่งแตง่งเงินมดไปกับไปเพราใจญ่จขาดเขาวับไปซือหนีืบางคนตุรนทุไลอ่ ะ, กะเกษียกษรส จักมันยังแตมันยังนะพูดขึ้นมาเนี่เป็นนิมิตขึ้มาลองห่างคนห้องโอ้ยหางคนก็บอกฟุ้งๆเฟ้ยที่ตายแล้วก็นยังโอ้เพราะฉะนั้นมันว่ามันเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆล่ะบ้านเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอะที่พวกเขาต้องมาพิสูจน์บ้างเขาสิตายแบบมีความสงบสุขหรือสิตายแบบตาข่างก็เฝ้าตายเบังจะดีขึ้น เพราะเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละมันมันสิบอกเจ้าของใดไม่ไงตัวข้อมููสื่ตัวนี้แหละมันสิบอกเจ้าของใดประสบการณ์เฮมีผู้เฒ่าผู้แกคนคนสิตายคนนี้เดี๋ยวคนว่าไปค้ำบังดูไปห้างแจ่มว่าไปจบบังหันไ่มบ่คนเป็นผู้ชายจบบังหันกระนำโหดที่ตายแต่บ่บัลล็อดทหารว่าคันเพท่นหดกระแสโม่ตายกันมา ทำมึงเด้อหลวงพรวนเลเพราะฉะนั้นตัวสเจริญสติสมชายตุยละแต่มามีความมั่นใจว่ามันจะชีช่ทางเขาใดบอกทางเขาใดโดยที่เขต้องให้เูาได้มาบอกทางเขาแม้แต่ชีวิตของเขายังเป็นเป็นอยู่เนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขายังหูจักสามารถที่จะเข้าใจสิ่งนี้ได้ได้ตายไปแล้วอย่างที่จักหูประหูเสีหัวมันตายไปแล้วแต่วา่าหูในปัจจุบันนี้สะกคนเนี่ยในชีวิตของเขาในปัจจุบันในขณะ น, นี้เอาไปนั้นน่ะตั้งใจคักไปนั้นน่ะ คันโมหูพอเห็นมันก็พูดให้เจ้าพระเอกวตัดสูเอาขันเลาด้สามารถตัดอยางเพนธิฐานเชียงถ่านหาจิเลตายค้ายจิเลศออกล้วสิบปลุกจากมองนี้วันเอาขันโมหูพอเห็นอเขาใจยังตั้งทั้งหมดมีสิบปกกานเจ็มือกัสิอยนีลาววันหลวงพ่อมหาไรเป็นกัสิเลี่ยงอีั้มนบอกมาเจ็ดมือแล้วกยัง่ต่อเอาหูหลวงพ่อยังท่นหูจักผู้ขายะท่นจักเอาระท่นออกจากวัดออกมนี้ช่วงนี้ อยู่ไปชักทิปีทศกัณฐเทวันนั่นก็เพิ่นก็ี่คอใจเลี่ยงอยู่ด้วยว่มันบ่เป็นต่บินดาบารเลี่ยงยี่เนี้ยนั่นผู้มีความเพียนยังสันลักษณะบ่เลี่ยงผู้มีความเพี้ยนไปแล้วอันบ่คุณมหากกาบนยุคทีเก่าแก็วัดไทยวัดมั่นน่นละเพราะฉะนั้นให้แม่ใหญ่ลองตั้งใจลองเบิ่งเหลืออยู่เวลาหน่อยๆเนาะให้พ่อแม่ใหญ่ตั้งใจลองเบิ่ง ต่างอกต่างใจลองเบงชักชวนและชวนเชว น, ชวนพิสูจน์ลองเบงที่สูดคําสอนของคุณเจ้าลองเบงมันที่เป็นจริงปะอัตมามีความมั่นใจความบวชกัมาข้านี้บอบ่เสียสัตว์เกิดเลยแต่กี่แต่ก่อนมันรู้สึกว่าโอ้ยสงสัยลังเลสงสัยก่อนบวชให้บอซืนะ้อนอกก่อนบวชพอเ่นมีพระพว่วงบอกยังอุ่มลุ่มหมอเอาไว้แต่ไปรักษายาของเหมือนว่า อพอพาแบบนี oh, so so ้ย้ำมื่อเสากับแบกใส่ยามเธอเือกเอเลือกเธอเลอกไปทำบัดน้ำสวดมนต์ทำบัดน้ำหย่านคนหลักเด้ยมาละย้ำหย่านขโมยดรักขมวดขจุนลักนิลักมือหนึ่งก็สิก็สิทิีมก็สิเข้าใจเรื่องเข้าใจเรื่องพราเข้าใจเรื่องสมุดตอนั้นแหะโว้ยอันนั้นก็สมุติอันนี้ก็สมุดแต่แม่งก็จริงด้วยสมุดของมันแต่ว่ามันบ่มเนสิ่งที่เฮามันบ่ราคลองรักษาแต่ว่าเฮารักษามันรักษาที่จะห่างเทียบขอบ ใส่ขอบทองไปอะยันคนมาหักเนี่ยคนมาลักไม่ใหญ่นึ่งจู่พูนเหลี่ยมทองหลวงพ่อหลวงปู่แวนรุ่นแรกก็ะัด็นานัดสามบาทมาฉี่ก็มยมาลักมาคนบ้านมาเขาบ้านคนไปมันเนี่ยาอจังีจังไดนอโน่นออกไปเล่ามาเอาบัตรหลวงพ่อคือพรเตะดังมาแนว่าถนนหลวงปู่แล้วหลวงปู่หลวงปู่แหวนพเตะดังมาแนบมาถนนนรักษาขงเขาก็จีเดียนนสิไปของเขาก็ยจีเดียนพเตะดังนนฉี่กมวยแนมาถนนอไปว่ามาเป็น เสียดายหมดสียดหน่อยเสียดายล้มป่วยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นว่าพระยินไอใจของเขาใจห่าเป็นผีเจดีเป็นพระที่ในหนีรักษาของเขากอบเขากอบไหวนี่ไหวเอากอบท้องคือสติสัมปชัญญะของเขาขอบมันมาเขากอบไว้อย่าให้มันฟุ้งซ่านอย่าให้มันไปไกลคำนั้นไปไกลเรารู้สึกว่าเอามาอยากเพราะฉะนั้นว่าอยากให้พอให้แม่เขาตังคอกตั้งใจลองเบิ้ง พอเพิ่นเฮ็ดนีเพิ่นพอได้มุ่งหวังไปเสียยงยังจับพอพอพอกมาเขาดอกคิดว่าจเออหายาที่ย่มไ้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนีเฮ็ดบุญหลายนี่หลายบอกผาในสงานเาในหลวพอเชียนบเคยพาเฮ็ดนั่นขนาดจ้าเทียแม้สิแพงเงินแพทองด้วยกันเอาเงินเอาทองมานีมาขันมีทุนก็เฮ็ดโบมีก็เอาเาแต่กรรมเดนีเข้าบินบาทเดียงกันฉันฉันเล่ากัอิมยิมหรอกคือยังว่าเทปเปิ้ลเปิดเทปใบ เรื อ, อาหารปีนี้อาหารเนี่ยจิไม่กินเพื่อต้องการที่อยากให้เพลินเพลินเมื่อกินให้มือมีเนื่อมีหนื่อกินเพื่อต้องการที่อยากปฏิบัติธรรมใเท่านั้นเองเท่านั้นนะคณะกินเฉยฮะไม่ต้องไปยื้อยางแข็งยื้อยางกับผู้ใดนี้ผู้ใดเรื่องอยู่เรื่องกินเรียบร้อยกินก็อิ่มละอิ่มล้วก็ไปก็ไปเดินจงกรมทำความเพียรบ่มีอนํำชา ก, แกาแฟบ่มีนำห่อนนําเย็นขึ้นส ม, มือนีสุ ม, มืน่นีเพิ่นโอ้ยเอาดีน้ํานักปฏิบัติขากดเอาไว้บางจะหนึงก็ได้ จ๊กน้ำห่อน้าชากาแฟอยังต่างๆก็ตั้งไว้โตุ๊้นกระตมไเรียบร้อยยางโน่นนี่เลิกไปแล้วกินน้าชาอย่างนี่กินน้าปนไออย่านี่แล้วก็พระในกระซายทุพละตั้งกันอย่เหมือนมหมมหอย่งเหมนามก็เอ้าเอาลงไปสลงไปอิ่มแล้วก็ไปนอนนอนแล้วก็โอ้เอ้าตื่นสัมมาจิิก oh, ็แบบเนี่ยเนอกมันกะเนี่ยละเพราะเชญว่า บางเทือนันน้นรู้สึว่าเมื่อท่านอยู่ที่ลำบากท่านจะได้เพื่อนตายมาท่านเมื่อท่านอยู่ในที่สบายท่านจะได้เพื่อนจินม า, น ท, านท่านอันนี้มันเป็นไม่เป็นขอพิสูจน์เท่างคุยกันเนี่ยสมัยนั้นมีแต่มีแต่ข้อมตั้งใจปีสองพันอะไรยี่สิบห้าเนี่ยปีขึ้นไปออกพรรษาแล้วขึ้นไปอ่าเรียกว่าเข่าเจ็บอารมณ์ในวัดปาสุกโตออกพรรษาพุ่ฝนตกนี่สะซ ะ, ะ, ะสะนี่โอ้ยผ่าอย่างผ้าเต็นนี่หาไปหามัน พเพื่อบ้ามีก็เอ้าส้นกันนี่กันแบงกันาผ่าเต็นน้อยๆมะกั้งไว้นี่ไว้ฝนตกมาสะน้ำผู้ไหลลงมาสะสาสสลุ่มมาใส่กันอนอยู่ใดเฮ็ดอยู่ใดปอบบุบ บ, บุทุกบปอบรอดเมื่อเดือดบอบรอดอยู่กันต้องเป็นเดือนเดือนออกวันสามาไอฝนในวันนันหมดได้เป็นวันละสมัยนั้นตอนนั้นสมัยนี้มันหมดแต่กองกององอกกันสาบุญปีเนี่ยอยู่ไอ่าฝนตกแล้วเขาซ่อนฝนสะตกเดินจงกลมเอาปนั่น เข็ดปนั่นอันนี้เฮ้าหน่ะเรารู้สว่าโอ้ยเมนแรงกัเพิ่นกับต้อนรับไปเมื่อเสื่อสะอาดอาสนะพระโฮมบมีก็หามหาให้วนเอียนใดบอมีนี้บอมีเพิ่นก็หามาให้นิมให้มันสะดวกวดขดเพรามันคือเบืองเจงนึงก็ไดเอาคามลาบากให้จักหน่อยกันเพียงนอนกบดินนอนกับหยานอนก็ น, น, น, น, ก น, นี่หตรงอาจารย์วรเทียไปเห็นอยู่วัดนาพโพดิแม่บ้านนาพโพเฮ็ดเพิ่นไปจองกุฏีไปให้อัตมาก็ัดกุฏหลังหนึ่ง พอไปหอดแล้วพ่มัดเดนมคมใหม่ปีนีเพิ่นเลยบันนีเพิ่นเลยไปเฮ็ดอยู่ไต่คมใหม่ขอบสาพูนไหเอาเตียงไปให้กับ่ปนอนไห่ลปูนีวันนอนเลยนอนคอมมันนอนเฮอใหม่มองพันถาคหยาทางหยาไปโคไว้เอาพายางปูทับลไปนอนนิ่มพ่อปัญญ์บ่ยากเรื่องนอนเรงหลับเรงนอนพ่อเป็นปัญหาบ่เฮ็ดเท่านั้นเป็นปัญหาเร่งหลับเรงนอนนอนไซนอนใดอยู่ซอยู่ดปีหนึ่งปียังไงกบกินกระเบนปีนึงเนาะีกลางปีก่อนนะ ในวจันน่มไปหอดวัดเป็นนี่เดึกๆประมาณหาหกถุงเลยตีหนึ่งเนี่ไปแล้วนี่แล้วพระไปน้กันโอ้ยต่พูกเพิ่งจะเพงว่มีหม่องนอนมีหม่องนอนเอาหลังมานั่งบ่อไปเถอยก็มาเาไว้นอนหลังเอาหลังมานอนไสนอนราไ่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นนีกคนอื่นนอนหัวสุกใสเป็นไส้กนอนรับมิดกีดีเซยโอ้ยรับสบายนี่สบายตื่นหมื่นมากกันอเรียบร้อยเย็บจรมนเอามาหงยังตื่นเ้านไมาหง ลุกขึ้นมาทำบัดเอามาในมือขึนนนอ้นนี่มันเนี่ยนี่อันนี้แล้วมันหลบไปริบฝนเรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องนี้จะไปเมื่อยย่านทางเที่ยกับย่านเห็นคนอยู่ใส่ยิงอ้กแข็งยิ้งแข็งอยากยู่ไกลพออย่างพออยากหาความสงบเงียบสงบแตเจะของอยู่เงียบกับจะของเงียของเห็ดทั้งเบิงนี่รองเบิงบางเปนนอนอยู่กับโมเหนียวโว้ย ตื่นขึ้นเน่ยตื่นก้อนเสียงพันปุ๊กนี่ละทางเที่ยวค่มตื่นขึ้นก้อนผู้ตื่นก้อนเน่ยันแตะมูอูจว่าจะของตื่นคว้ขังมูอลุกๆๆไปแล้วแลแล้วไปแล้วไปแล้วตามแล้วคนตีเปื้อนแล้วลุกว่าต้องไป่กวนเฮ็ดเอาเหมือนกับบวชใหม่ๆพอออกเพิ่นเพิ่นบอกเดชเค็ดลับในการทอหนังสืออาจารย์ว่านอนยีงต้องกัรกับตมนี่ก็ตามืเมือสุดมากละตัดจุดตะเกียงอ่าอ่านทองวินัยใจหันละ คำมันสิรับลูกกมานนั่งทอง้องจะไปกวนเขาถือหลักคำสอนของหลวงปู่เชียนว่าคนเมื่อคน้คนหลับคนนอนจะไปกวนพอนนอนกําลังจะไปกวนจ่ไปกวนพรางพยัามทําตัวเบาที่สุดเดเงียบที่สุดนี่ที่สุดว่าต้องไปรบ ก, กวนเพิ่นนี่เพิน่นออกมาเป็นการกําหนดหู้ตลอดอียบบทผู้ตลอดนี่ตลอ ด, อ, ล อ, ด, ล อ, ดอันนี้พวกเขาในห้างเทื่อในอย่างเรืนอนโยกมุมนึงเดสุดสาวแล้วโอ้ไปเลยตัวนี้ดึงกัมา ความเผลอนั่นแหละมันที่ทำให้เขาบ่เผลอบางหูอยากว่าความเผลอเผลอไปตลอดหูนั่นแหละคือความหูสึกของเขาชัดขึ้นมากเลขึ้นมากเอาลืมเราบ่างกันกลับมาไหมเอาลืมเราบ่างกันกลับมาไหมเอาลืมเรากลับมาไหมความหูตัวนั้นมันค่อยหูเข้าหูเขาสั่นเข้าสั่นเขาสั่นเขาสั่นเขาสั่นเขาเขามากเขามากเขามาไม่ความรู้สึกเมื่อเขามากตลอดในตลอดยับอันนั้นแหละมันเรียกว่าเป็นการตามความรู้สึกเมื่ออยู่ตลอด บอล่อยแม้แต่เขา้องน้าของสวมอาบน้ำอาบท่าเห็ดยังทาอย่างรึอถึงมันมันมีความรู้สึกทอยย่ำจับความรู้ ies, สึกเขาไปมื่อนี้ห้างเทือกอาบน้ําม่ได้เอาน้ามันกับคุยกันโมเลงลงมาลงสรงเซ็งเลยขอแกนี้กัไปสวเซโซซาซาซาซาอ่าว้าวไปคุยไปปล่อยละถ้าลังเทือกกะคิดก็เถ็นได้เสน่ห์ใหมเป็นเด็กห่อยหนักเลียงเนาะเขาในห้องคู่กันคนสิ่ไปขี่ไปเยอะคนครับผมลาไปปัสสาวะครับ คุณครูครับผมลาไปอุจฉะครับไม่ออกเท่กันมันนั่งองคุณบาอาจารย์ก็ไปนั่งคุ้มอาจารย์ขาขึ้นมือเว้นเนี่ยปวดนปวดอย่างว่าคนอื่นอาจารย์ขาอาจารย์ขาเพราะฉะนั้นเรายให้เพิ่มคุ้มคับนั่นเขาคุ้มตัวเขาเองซะเหตุตัวเขาเองจํากัดตัวเขาเองใดนี่ใดถ้าเอาคุ้มตัวเขารักเองในรัชย์ใดพระคุณบาอาจารย์เพิ่งก็เอาเป็นค้นคนเอาใจใส่อ่าฝักไฟในการปฏิบัติ บอมันความบอมันเลนเล็ตเตนนหัวไปนี่ไปความรู้สึกของมือของเข้าตามอยู่ตลอดนี่ตลอดแต่อย่าไปกำหนดก็อย่าไปเจรงมันคลากหลายเกินไปนี่เกินไปเฮ็ดทำให้มันหูสึกเบาๆหูสึกเบาๆนี่เบาอย่าไปเกรงไปนี่กระมันมากเกินไปหางเคียวบางคนเอาจริงเอาจังนี่เอาเอาว่าดึกจังวันซัดวันโอ้ยกใหม่ยกเืิกเอาว่าดันเอาเป็นเอาตายเอาเอามึงเอาเลยความรู้สึกเพราะต้องไปนี่กระมันนี่กระมันเอาอยู่ว่าดันเกิดความเครียด เกิดปวดหัวปุ๊บเพาเก่าเกิดขึ้นมาเนีขึ้นมาจริงๆแล้วอธรรมามีความอแต่แก่อนนั่นพระ่ในอุดมการในอุดมคติของอธรรมาเป็นผู้ที่เรียบลอยอยางสงบเสงียมเรียบลอยโอ้ยอันนั้นคือพระที่แท้จริงนะปฏิบัติแท้จริงเอันนั้นคือพระในอุดมคติแต่ว่าความเป็นจริงลแล้วจักสิแมีนโมแมนก็บอกจักแต่พราว่าปฏิบัติทํำเข้าใจแล้วสิอันนั้นผิด มาเที like to to field, ่ยวอธิพิทษทางเที่ยวพนังเดินพนเดินคืบคืบนังคืบคืบมันเลเสือกแห้งอันตรายหลายยานเดียวกันโยมเมื่อคืนนี้ฝันเห็นญาติพนันปุณิได้มหาสขชนบุญชนกุศลเนี่พอเได้ยินเพราะเชิญว่าพระนี่บ่บ่บ่บ่อื่นเมื่อไก่คือผู้มิสติสัมปชัญญะเข้าใจรู้แจ้งเข้าใจเน่ยในขณะที่เขาเห็นเขาทำบ่มีจริศอสาไทยม่านาสาไทยอย่างทั้งหมด พูดคุยได้นี่ได้บอกว่าได้นี่ได้ฮัลังเทียรับตามิงมิงหมิงิยมมาทำทานแล้วเห็นรถเจ๋งเขามาวัดมันรับถามทำารับตาหมิงมิงหมิงมิงเขาใส่โอ้ยทำทานดังขึ้นผิมเพิวบางหมากแต่แต่เด้อยู่วัดอัตมาย่อมมาถามหลวงพ่อเจ้าวาดอยู่ไหมวันว่าเขาเอิดหลวงพ่อกับเพ่อใจไปไนได้มันบอกแล้วเพิ่นเฒ่าเนาะก็เลยว่ายัวท่าน่ะ นั่นแหละท่านอยู่กุฏินั่นแหละว่านเนะนเดินไปหากุฏิเขาก็เจ้าว่าไปถามหลวงพอ่ออยู่ไหมก่า น, นอะอ้าวก็องค์ที่ท่านยมถามนั่นแหละท่า น, นอ้าวหรอทำไมยังไม่แก่ท่านมากลัมาถามแม้ทําไมหลวงพ่อไม่บอกด้วยตรงตรงเรา่ น, น อ, อ้าวก็ยมบอกว่าเจ้า ว, วาดอยู่ไหมก็หลวงพ่อเจ้าวาดอยู่ไหมก็บอกว่าอยู่อะครับตอนนี้ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหลวงพอ่อเลยตอนนี้เป็นแล้ววะท่านนะหาลังเทือเข้าเจ้าก็มาถาม จเจ้าอาบาททำหากุติกระบอกกุติทำหาจเจ้าบาทกระบอกจเจ้าบาทหลวงพ่อกะบอกไปหาหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงพอ่อยูง่งได้วัดหลายได้หลวงปู่ในวัดนั้นาหมดละพุ่นละไปหาพุ่นละบใบเบียงไปนี่ไปเพราะฉะนั้นพวกเข้าที่มาอยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมนี่พอพอพวกแม่เขายืนนี่ต้องถังใจล้องเบงิ่งเลยยกไปจี้มือแล้วเนี่ยสองมือสามมือวันที่สิบเนี่ยกระิกลับเลยอาตมา บวอยู่แล้วเด้เขาที่ว่าเป็นคือกับกรือว่าเซนแล้วบัดบวกไม่ออกคือบอกใรแล้วกระตัง้งใจมากวัเสารสัตว์ในวั น, นที่บก็สิกลสิเ่ไงไม่ต้องแม่นกินมสัสยิดบงแม่นหนาดอกเพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งอกตั้งใจลองเบิ้งเนาะอันนี้มาบอกเรากาสิไปฟังซื้อแต่ว่าการปฏิบัติการกระทั่อง เ, าเาฮาหายเฮาเห็ดเอาทำเอาลองเบิงพิสูจน์มันลองเบิง้งขับสอนของพุทธเจ้า เหรังเบิงพระงค์เจ้าห้องคือกันแบปฏิบัติรังเบิงเอาใจใส่ลังเบิงบิณฑบาตก็มากกลับมากแล้วกับเอ้าอ่าเป็นนาที่ของห้าเห้องปฏิคดอย่างมากมา่ละเป็นนาทีของห้าบิณฑบาตเป็นวัดของห้าเอ้าบินมาชันคบชันัเสสรอเวเขาก็เอาสู่ทางสู่ทางเดินจงกรมสู่ทางการปฏิบัติทางห้าลรังเบิงเหตุรังเบิงทาลงพิสูจน์มันงเบิงมันสิมีแท้ดิสิ่งนั่นนี่พุดโธให้พุทโธให้เป็นพุทโธพูทโธจริงๆพุดโธพุทธะจริงๆริงมันพุดโธ พุโทโธพุทโธโทษเง่โทษไปทำามง่งอยอู่แบบทักฮอนบัติเลี่ยวหัวหัวตกะะตะเซาะลงไปในกระเบนให้เป็นพุโทโธจริงๆอะ่ะพุโทโธจริงๆพุโทโธพุโทโธจริงๆมือนกับปีหนึ่งไปสวนหมกสวนหมกชา ย, ยา อ่าไปเบงลงมาระศพทังวิญญาณไปเบงมองหันมองนีสะนาลิกเจสะอยังเพิ่อนในทั้งมดล่อไปมัดนี้ในบริเวณทา้งหลังเละอขึนไปอ่เขานั่งเอขึนไปเห็นแล้วไปนั่งมาเบงลงมาเบงเหลี่ยงท้งหังเหลียงลงมาเบงทางงนึ่งสิว่าโอ้บรรยากาศหนึงสิว่ามันมันดีดีพอดีโยมุกนึงขึนไปตามหลังบันไปน้ากันเลยแต่อาตมาขในกอับเพื่อนจันดาขึนกอไปนั่งเบงอยู่นาภาพอเห็นแล้วโยมพอนึงขึนไปไปเห็นไปห้องอุท่านอมาทันทีไปโอ้เนติสวนโมกนั่นะ พวเข้าด้วยมืนกันอะก่อนสิปิดไล่การก่อนสิปันสิจบไล่การนี่ไล่ ก, กันก็โอ้นี่ที่ความรู้สึกมือเมื่อวันเด้อไม่ใหญ่เด้อเพราะฉะนั้นกายไม่ใหญ่หหต่าง อ, อกต่างใจเนาะเอาละที่ใส่เวลามามื่อกี้คิดว่าเห็นมาสมควรใจเวลากาขอใ ห, ใหายหยาดหิ้ย่อมต่าง อ, อกต่างใจมีสติสมัชัญญะในการจเจริญความเพียรองเจ้าของมีความมู้ดึกมือเมื่อ ในคณะทุกคู่ทุกอย่างก้าวย่างยินเดินนั่งนอนคูเหยียดเขินไว้กระพริบตาหายใจอาปากขันมีสติสมบัญติกันทุกคนเอาสติเป็นคู่คองเอาสติเป็นชีวิตจิตใจของเขาลองเบิ่งนีลองเบิงงบ่งคันมีสติสมัมิชัญนยาธรมาสเซอร์หมันว่ามีความประเส ร, ริฐที่สุดคอยทุกผู้ทุกคนได้พบได้เห็นในคณะนอนมื่อแลี้งหนี่เถิน